มองด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนน้เราก็รับความทุกข์ความลำบากมากมายยิ่งกว่านี้เยอะไม่ต้องคิดงั้นสิท่านจะไม่ประมาทกนันเทศที่หลรย้อนไปคิดถึงพระท่านสอนมีแต่พระดวนๆ เวลาประชุมกลางคืนนั้นนักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้เพราะน้องผือก็รับได้มากยังสามสิบผ้าสามหกเป็นอย่างมากในปีหนึ่งนักําไม่มากกว่านั้นสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามห้าสามหกเป็นอย่างมากในวันน้องผือเวลาประชุมกลางคืนก็บัดอื่นจะมาฟังก็ลําบากไปก็มีแต่วันน้องผือ พุทธีท่านก็พอดีพุทธีท่านก็เนอยู่สามด้านงั้นก็พุทธีเราเนี่นยนนั่งเวลานั่งก็เป็นข้ารนั่งเป็นข้างๆนั่งข้างหน้าข้างๆท่านพูดหน้าท่านขึ้นในสมาธิไปเลยเหระ หมุนติ่วติ่วติ่วเลยนะนะฟังนี่มันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเครื่อไม่ใช่เครื่องไปหลับนะมันเครื่องได้ได้ความเพลินด้วยความสงบใจเย็นใจเงียบไปอ่างนั้นเป็นลักษณะเงียบไปมีแต่ความรู้เด่นเสียงทันแล้วเวลาจิตมันมันละเอียดของมันเต็มที่แล้วก็เสียงเหมือนอยู่เผลินแล้วแล้วอยู่สูงๆ ไม่ลืมมือกินทั้งเราเวลาฟังเทศท่านเป็นยังไงยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ลืมมือไปหาท่านทีแรกติดกำลัะทั้งทั้งสีกินกาลังเสื่อมไปหาท่านเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือวบางั้นเเหลือแต่ในกอเท่า <c> น <oughs> ไม่มีอะไรเหลือแล้วะคุณธรรมไม่มีเลยสมาธิทํานี้ไม่มี ปีแรกนะตั้งปีพรรษาแรไม่ได้เรื่องอะไรมีแ บ, บกตรองต่กความรุ่มร้อนมาเป็นฟืนเป็นไฟพยายามตะเกียกตะกายบางคืนไม่นอนหรือก็ไม่ได้เดลวเสื่อมต่อหน้าต่อตามันเห็นชัดจำได้ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาเสแล้วมันกลายเป็นสัตรธรรมเลยมันเลยไม่หลืม มันฝังใจลักษณะเหมือนว่าฝังใจจำไม่ลืมเข็บเข็อย่างประจับใจเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจับใจเจ้ของพอพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่ตอนน้ำมนต์เราก็ขึ้นเขา ว่าากเขาเรากขก็ขึ้นไปทางนั่นล่างลุกกะสะพังกระสะบ้านากกอกไปนันลงลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านน้ำนาบ้านนามนไปอยู่นาสินวนท่านดูนามนก็มีพระยุมท่านมากจ่ขี้เกียจทัานน้อเขีากเป็นนาีินวนบัาร้างของยาคูา่ทง ทุ่ทงเยาคูขเขาอยากยา ค, แแยาคยาาูแล้วสืน่ะยาคูทงนี่ม้างเขาอยู่นันมีล้กุฏิล้างเดียวใหญ่ๆแล้วเขาไปอยู่อ้มอมตามนั้นในป่าทาล้านอยู่้วก่อนที่จะอยู่ล้านก่อนเพรานั้นท่านเลยสั่งหโยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะเ <c oughs> วลาท่จะสร้างางบายดีนะ มันงไปเลืมอุบายตอนบินตบบาดตอนเช้าเนาะเออพ อ, อก็ตีให้ธรมหาแทตาธมหาตูปโปล่้นมนั่น่อยผลขึ้นงุ่งโงหมดมันกัดเอาทันมอเห็นหมดทันแบนแม่นมิยมหมดทานี้หนึ่งมันออกผลขึ้นเล่าฮัานไปยังไงไปดูกับกลต้นใหม่หมดมันตเาเมื่อฮันขึ้นนั่นกับกเล่านะตาตูตาโปผมเนฮันยังไ อยู่กับตนใหม่นะคนหลนูตาทูกตาโปเมื่อ น, นานมันวเธีบนตาบอดแล้วก็ต้องเทียนผอมแล้จิงวะได้เป็นผอมอย่างว่าหมขันเนี้ยเขาผู้ป้าอมมาหล่นมาทรยเหตดจังเหนื่อแต่ยูกุฏิไปก่อนไปอยู่หานนั่นแหละมั น, า น, น, า น, น, าน เล่งกันบ้นหันบ้า น, า น, านไปดูแดงเงินกันที่ว่ามันเจริญแล้วเสือเ่อมเจริล้เสือ่อมแล้วปล่อยหมดเอาจะได้จะเสื่อมก็เสื่ไปเต่นี้จะไม่ปล่อยแต่พุทโธวางมันอะไรมันก็หมดแล้วมไม่เสื่อมตอนแรมันก็เสือ่อมแต่หน้าแต่ตาอย่าง น, นี้ทอดทุลักหมดอะไรจะเสือ่อมก็เสื่อมแต่แต่พุทโธจะไม่ปล่อยทีนี้จะเอาพุทโธเท่า น, นั้นอ ปัดกวาดลานวัดเอาท่้นไปแล้วเราอยู่คนเดียวตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะนมาแอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่คนเดียวปัดกวาดลานวัดวนโคดีเวนวากว้างโอ้โหุดทยังไม่ถอยเลยไม่ให้มันเผลอเนี่ยไม่เอาอะไรจริงๆถ้าพูดทอย ไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคําบริกรรมพุโทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งเราไปไหนไปไหนเราบริกรรมพุโทพธโธตลอดนี่ถึงว่าที่มันมันพุโทโธละเอียดก็จะมาตั้งทิง่หาที่จับเอาไม่ได้นะผมยังไม่ดืมนะเนี่ยจะทําไงพระพุโทโธก็ไม่ปรากฏทําไงนั่งตั้งที่รู้อยู่นี่ว่าพุโทโธก็ไม่ปรากฏจะทําไงนี่ว่ายืนอยู่เดินอยู่นะ ถึงขั้นมันด้เอียดนะก็พุทโธไม่หยุดนี่ความเผอไม่เผอไม่ให้เผอไปเลยเนี่ไปไหนเลยสุดท้ายมันแบมันก็สร้างก้อนเอียดขึ้นให้เห็นนะสิมาพุดโธก็เลยใจจะว่าไงถึงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏมีต่รู้เฉยเด่นพูทโธก็ไม่ปรากฏทำไงอทําไงจะของอะไรมาวาวงบนเย็นด้วของไหนยังไงพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วทีทําไง เราม่ปรากฏก็มันมีแต่รูเอารูก่อนยึดดูแตรูอย่างนี้เอา ด, อนนะ ด, ดู ด, ดูรแทนพุโทโธวางเงินนะสิเพราะมันเค็ดนี่นะที่ว่าไม่ปล่อยพุโทโธแต่ในคาว่าพุโทโธมันก็มันก็ยึดไม่ได้นี่จะทําไงมั น, นมละเอียดไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเออเอาเอาเอารูนี่เราเป็นแทนพุโทโธนะ่ะเห็รููอย่างนี้เออท่านนึกหรือไม่นึกมันรู้อยู่างนี้วางเงินนะมันถึง ก, การานั้นเนี่ย มันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้ดีสบายี่เดินยังกลมอันนี่พุทโธไม่ไม่ไม่ปรากฏเลยจะทาไงแต่ทั้งเราไม่ได้เผอไปไหนนี่รู้อยู่นี่อ่ะพุทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อตาเห้เลยแต่ความรู้เด่นนั่นแหละที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้คืนเป็นอันเดียวกันนันเป็นอย่างนั้นเองย้อนไปย้อนมาเลดต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแจะ พุทโธมีเนี่ยกวไอ้กิตมันจะทะเลจะไหลหนีไปเสื่อมเหมือนอย่างต่กอนนั้นแ่ะที่เรากลัวน่ะกัวนักวหนาขนาดนั้นอ่ะอยู่คนเดียวกับท่านก็อยู่คนเดียวปัดกว่าอยู่ท้าคอยท่านท่านไปเผาศพหลวงปู่เขาท่านมิญญาณแไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้ว ไปดักท่านที่ท่าถนนวัดออมแจวไปอยู่บ้านฝั่งแดงก่อนฝั่งแดงสามแยกน้ำกัล์ไปพ อ, พอไหนร้อสรบแล้วก็กลาแล้วก็จะยไปถามใครไม่เ้ยทราบว่าท่านมาถึงแหนบวังก็เลยไปหาทั้งเลยกลับมาก็มาบ้านน้ำมุน ม, มาจามจ่าที่นำมุาน จะมาฟัดกันตรงนั้น่ะที่บ้านนำ้ำมนแม่แล้วความจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันมันลืมไม่ได้อันนี้เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ยังไงควมเพียงเราถึงขั้นเป็นตายจะกันยิงอีนผมผมผมบอกชัดๆได้บอกกับตัวเองไม่ทรามันจะตายท่าไหนนะมันจะตายยิงอะมิสัยอันนี้มันเป็นหน้าทยิงอ่ะผมผมเชื่อเจ้าของอ่ะ คือว่าถ้าทางกิจเสื่อมคนนี้เราต้องตายตอนนั้นเราจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจริงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นนะมันอกนอกไปตรงนั้นนะก็มีก็ว่าคําตา ก, กับจิตเสื่อมนี่เป็นอย่างเดียวกันเอ้าวก็ลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่านอะไรท่านอย่างนี้มีอสองพันมันจึงได้เข้มแข็งอย่างนมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่อยู่อ้าวมันมันะเข็ดมันเสีย ถึงไปไปท่าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นน้ำมันแต่มันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมมันะตั้งแต่นุ่นแล้วตั้งแต่อยู่หน้าสนวนกลับมาก็ยื่นอาใหญ่นี่เหมือนจะขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกันหน่ำตรงอ่ะช้างมันเข็ดเหมือนมันเครียดมันแค้นเต็มที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 ที่มันมีเหมือนกันนะมันมึนง่วงอาบน้าจะบังกลางมันก็หักมันจะมึนง่วงไม่อยอมไปนั่งภาวนามันมันมึนง่วงมันหลับนั่งภาวนาไม่ออกตั้งสต่ใจตานี้ไม่นอนกลางวันไม่ชีวิตความเป็นหน้าบวชน้องเราเก็มีพรรษานักเราหนักมากที่สุด ทังจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหอมตแต่ความเพียนเองทุ่มหนุ่ทุ่มหนหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากเท่าพอๆกันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเย็นไม่นั่งเย็นมาตายอยู่านั้นสีไม่ออกไปไหน <c oughs> จนกระทั่งถึงถูก พาอแม่กูจันไล่ไปออกจากสมาธิมันถึงได้ออกออกทีนี้มันถึงเป็นเป็นกงจับกไปเลยขั้นนี้นะทีนี้เป็นทุกขระบาดนี่ทุกทุกอย่างถึงขั้นนันปัญญาเพราะการยด้ยินในฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันคืแต่รวมกับปัญหาตรงนั้นยินตามเนียปัญญาคีดอ่านแต่จรองก็เป็นปรรัญญาประเภทนึงแต่ยังไม่จัดว่าเด่นในการาฆ่ากิเลส เหมือนภาวนามญยปัญญาพ อ, อมันเก้าเ้าก็ถึงภาวนามายะปัญญามันเป็นเองสินี่เป็นปัญญาอยู่ตลอดจริงแน่ว่ะเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสจติง จะพูดว่ายังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก<เ>็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็นนี่จะไม่ให้พูดได้อย่างไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองนี่มันเป็นยังไงยังไงมันก็รู้เจ้าของมันพูดรู้ทั้งนั้นทําไมจะพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดกันอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นเมื่อแล้วเป็นเรู้ใครๆกับพูดได้ถ้ามันไม่เป็นแล้วมันจนเท่าจนตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไง จะอะไรมาพูดก็มันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันมพูดได้อย่างนั้นนะว่าผู้ใหญ่ดเด็กอายุเจ็ดขวบท่างก็พูดได้ท่านเด็จแล้ว น, ะนั่นเป็นอย่างนั้นนะอสังจากธรรมเนจร์ก็ปนินบาดกับอาจารย์เป็นของดับลูกสร อามาพิจารณาดัดลูกศรให้คงแนวดัดลูกศรสําหรับยิงนี่มาดัดเป็ของให้คงแนวท่า น, นเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็นปัญญ า, าขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปกิจันยูอุคติจันยูนยว่ากี่จะรู้รวดเร็วอย่างนั้นฉนะะนี้จะสมเรนรอะไรนะก็สมเณ ร, รหลายสามเณร น, นะที่เด็กบรรดุผมจํำได้มีอยู่ในหลักอ หนังสือแปลประโยคเลยนะหลายเ น, เนเ้นขําเน้นที่สาเร็จอันันตั้งอธิเจขวบนะมีหลายเน้นแล้วเหนห น, น, นึ่งประเนินหน่งเนหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเน้นได้วเน้นหนึ่งบางบางเน้นนี่พอโปรงผมหึงมาใชผมตกมานาที่สำเร็จอันในขณะที่โปรงผมน่นมี มีหลายหลายองค์ที่เน้นพระเนตรตั้งแต่เจ็ดป่วกมันพูดได้แต่ว่าจะพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับว่ากระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันก็พูดได้สิฉะ น, นันไม่รู้มันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจจะเอาอะไมาพูดก็มีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทําเปิดออก เล่นลวนลายออกล้วดลายไม่ได้ไมีแต่ลวดแล้วกิเลสมันปิดหมดทําหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดหมดในใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วมันโหอกิเลสมันทังหมดแล้วมีแต่ทาแสดงล้วนลายที่นี่อยู่ไหนมันแสดงมันเบืองบางว่าไม่มีอะไรมากีดมากกั้นมาขวางแต่ก่อนมีแต่อันเดียวน่ะมันกีดมันขวาง หีบี้สีไฟอยู่แล้วหีบแล้วขวางช่องไหนจะเป็นช่องมันออกเสียงกิเลสออกเสียช่องไหนมีหีบทวารมันก็ออกสมุดตามันก็ออกไปก่อนเสียงหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไง ม, ไมิได้ทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมืม่อถึงขั้นธรรม ทีของทําเมื่อถึงทีของทําแล้วเอาละทีน่นินนี่ระว่างนี่จะทําออกที่เลี่ยดออกไม่ได้ข้าวข้าวแหลกแหลกทางตาก็ทําออกเสียหูจมูกล่างกายทําออกเสียสุดท้ายมีอยู่ภายในจิตใจก็ทําออกไม่จะทําเล่นลวดลายอย่างนั้นแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิตน่มา<อ>ถึงข้าวถึงวาระของทําแล้วปอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอํานาจของกิเลสมัน มันสร้างตัวของมันขนาดไหนไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาอียิยบทชั้นใดน่ะเมื่อทําได้มีอํานาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั้นอในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างธรรมขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสไปนในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเลยล่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันทงังไปซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันทําเหล่านี้กับรูปตัวเองไ จะฆ่าอะไรเนี่ยเนี่ยฟังสิหมุนเป็นธรรมจักรมันก็หยุดมันไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรฉันที่โกบอกชัดเจนแล้วนี่ตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมาอือหรืไปฆ่ากับอะไรถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้เบื้องบททําบทใดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพินานาจารณาอย่าดพิ่ขึ้นแค่ไหนเมื่อสัมผัสัมพันธ์ก็มันก็ไปไปทางความสัมผัสัมพันธ์แต่พอเข้าใจแล้วแล้วก็ปล่อยเสีย เงียบไปเสี้ยวมันไม่เหมือนกับตะกิเลตตะกิเลตโหได้เหรออื้งถ้าไม่เอาให้มันตายซะมันจะฟัดเรานี่ิรังเพราะันมันถึงได้เกียรติแค้นกันถึงขนาดนั้นเ อ, อืมเอามันจนขึน่ <c oughs> <c oughs> นนารักนะ่า ยังให้หมูข่วนเห็น ห, หมูข่วนรู้ยากเติหัวใจเราก็ดีบสงสารอย่างนี้แล้วเจ็บหลังรเราเจ็บเป็นจะตายเราคิดเห็นหัวใจแต่ละดวงระดวงนี่มุ่งมานี้เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นเนี่ยที่ทำให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทําไมไม่ไปมาทําไมที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัว ใ, ใ, ใจเรานี่ เมื่อพอมาได้ล้วก็มาเมื่อพอเทศพอพูดได้ก็พูดอัง น, นี้นะเพราะเอาใจมันจะของออกกลางนี่ใจใครก็เหมือนกันมันเลื้มแล้วยิงป่ามาแม่หูจานมันจิตทั้งดวงมันมีแต่ความุงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นึงแต่ชื่อย่าง ทางที่จะเดินตัวลงผลนิพพานมันมืดแปดทิศแปด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนนี่ว่างเลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นอย่างเงี้ย่านครูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนาอย่างนั้นั่นแลค่อยทําปตามท่านแล้วค่อยรู้เนี่ยรู้ทางไปเดินไปจนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้ว out ที่นี่อ่ะละอย่างที่ว่าภาวนาวิญญาปัญญาแล้ว อยู่ใครมาได้ลงภาวนาเนียปัญญาได้เกิดแล้วได้ทํางานด้วยภาวนาแม้ปัญญาแล้วอยู่กับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะมันก็เหมือนกับนั่งมวยตะลุมบังเนีกรรมการจะไปยุ่งได้ไงก็กําลังตะลุมบ่อนเดี๋ยวกรรมการหน้าผากแตกนั่นหนึ่งมันจะถูกหมัดหลงอ่ะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันกำลังตะลุมบอนภาวนาแม้ปัญญาเป็นอย่างนั้นนี่ เป็นมาแล้วเห็นมาจากกับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าเท่าที่จะาองเห็นจะของรู้ยป็นไงมาอย่างไงบ้างนะพูดได้ที่หานะอยู่ที่ป่าป่าลูกลกมินทบาทพอยังอัธพาตเป็นไปประมาณพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างนั้น มันติวติว ต, วตวิเดินอยคนกวนมันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจเวลาเราเรารู้ว่ามันเมื่อยมันเพียนะคือมันเทินอยู่ที่ไหนหมุนติวติ ว, ตวไม่ออกไปไหนเลยไม่ว่าคำว่ามืดตัวนี้มันไม่มันไม่ปล่อยมันตะดุมบอกันอยู่นนยตลม ทีบางทีก็แหมเมื่อไหร่มันจะได้ปล่อยได้วางดูสิมันทําไมถึงนั่งหนานั่งหนานี่ผิดคาดผิดมานักหนาว่าจะคล้องแล้วพอพอพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกยิงกันเสียถึงเวลามันจะลุมมันตะลุมยิงจะดุมบอลมินทบาทมาฉันจัดอาหารอะไรฉันมันมันอยู่กับอาหารนี่มันอยู่กับฟัดกันมีในนี่ย มันขนาดนั่นนะชั้นในนะนี้มันก็มันจะไม่ได้สนใจกับรถกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตรุมวางอยู่ตลอดนั่นนั่นหละถึงเ่าสติปัญญาตนนมาสหรือภาวนามยปัญญาเป็นของมันอย่างนั้นยังเพินนะหองอาหารโว้ยแล้วเท่านั้นแหละอยู่นี่จ้าอะไรจ้าอะไรมัน มันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจะเอาอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติมันมันไม่ไ้ตั้งมันตั้งมันอยู่เองตั้งของมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันแต่ตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพระตื่นนี้มาพักนี้มันเป็นของมันแล้วหมุนเตี้ยเตี้ยเลยงานอะไรที่ยังไม่เสียจมันจะปับปับไปเลยเข้าของนั้นเลยยิ่งสั้างมันมันเสร็จนนี้มันปล่อยนี้แล้วมันก็คุยเขียวคุยเขียวเป็นงานอันหนึ่ง คุยเคียงหายิเดีอดนั่นแหละคุยเคียงหยิ่ยนในใจนันก็เป็นงานเนี่ยพอเจอัำพังก็ได้งานหนึ่งแล้วนะี่ยเอาอิ่แล้วนะั่นนะที่พระสุนตนะท่านเดินจักลมฝ่าเท้าแตกจับที่ที่ถูกก็ตามแต่ผมแน่ในหัวใจใจะของเองท่านทําไมถึงเดินจักลมต้งฝ่าเท้าแตกก็เพราะเห็นนี้เองผมว่างั้นนะเพียองลาพังจะไปบังคับตัวของให้เดินไปเดิน มาไม่ได้เรื่องได้เลาอะไรแต่จะบังคับความเพียรทั้งสองค่อจนฝากเข้าแตวนี่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของของอันนี้แล้วเป็นไปได้ร้อยปอเซ็นว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีหรือรเป็นพยานก็เป็นได้เลยถ้าว่าเป็นพยานเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามเป็นบาอย่างนี้เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วอนึมันมีแคะเวลาที่ไหน มันหมุนกัอยู่นี่มันไม่ได้กําหนดระยะเวลาอะไรเลยเนี่ยอืมอินเดินไปจนกระทั่งถึงเราไม่ได้ฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟเหมือนไฟลุนม่นิฝ่าเท้านี่โอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามั น, มนออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นแหละมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะวังเลยมันเาไม่ ถึงก็แตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเรานราเ น, นี่ยตามความรู้สึกของเราพยาบาเราบ้าก็ตามอย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเธอเนี่ความเพียรเจของไม่มีร่ำมีลาเลยไม่รู้คําว่าหนาว่าร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจก็ไหลกลางวันแตกแสกเหงื่อแตก <c oughs> หมดทั้งตัวยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่ไม่สนใจหมุนกิ้วกนั่งฝ่าเท้าแตกได้ เราอยอมรับว่าฝ่าเท่าแตกด้วยความเพินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมัติหรือโดยธรรมาภาวนาพนยปัญญาเราว่างนั่นแหละพระสุนทรนัตตนาความเปียนแรงกลางถ้ามันมีข้อยืนยันกันเลย มันก็ยอมรับกันเองยอมรับกันเองถ้ามีขอ้อยืนยันภายในตัวเราเจ้าอะไรมายอมรับกันเห็นยอมพระพุทธเจ้าและพระสาวุท่านยอมรับกันด้วยสัจธรรมคือความจริงได้รู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันนะ่ะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราก่อนซึ่งโดยซ้ำไปท่านรู้มาก่อนทันทีเรามาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนะทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรือเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วนะ เขยอมเรายอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมบริจามีเนียหนั่นหลักมันอยู่ตรงนี้การปริพันธ์นนมันแตกต่างกันความปริพันธ์เป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายอมยามตย์สัยของท่านบางองค์ท่านนี้ผ่านแบบนั้นแบบนั้นตามแต่อัตย์สัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมบบาบังคับท่านนะอือจิต จิตธรรมชาติจิตอรหัตตาจิตนี้แล้จะเอาอะไรมาเป็นมาสร้างขวากสร้างน้ําเป็นข่าศิก ต, ต่อจิตดวงนั้นได้ล่ะ ว, วิธีตายจะตายได้วิธีใดจะไปลบล้างความมุ่สุดท่านได้อย่างไงความมุ่สุดเป็นความมุ่สุดแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุนธสมมุนธมันแค่นั้นเองทางผู้กล้าท่านแสดงและพูดทางภาษาในของเราก็าเรียกว่า ท่านแสดงบวดลายแห่งความเป็นส so ัจธรรว่าให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของสัจธรรมนั้นแ่ะท่านจึงได้เข้ามาบัดตั้งแต่ปฐมวชานุตรีฌานด้วยถึงชัญญาเวทไทยแต่ยโอยแล้วถอยลงมาถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ออกช่องปุ๊บเลยวากล้าเขาข้างที่สองนี่บอกผ่านจตุรีฌานแล้วก็ไม่ไปทั้ง อ, อรูปฌานผ่านผ่านรูปฌานมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานออกย่านกลางนั่นทํากลางนางรังทั้งขู่เป็นทําไมฐานกว่านี่แหละรูปฌ า, า, ารูปฌานสีอรูปฌานสีนี่ต้นไม้กับต้นไม้นางรังทั้งขู่นั่นกต่นั่นก็ใช่ยอยู่ในท่ากลางนั่นก็ถูกว่างไงขอใหมันเปลียน ใจของเรามันได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุทธเจ้าภาษาวกมากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลยแต่เจ้าของไม่ยอมรับสักอย่างเดียวนี้ยดิเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจนั้นกิเลสมันหลอกไงก็ไอ้มันหลอกมันต้มถุนเอาจนถลอกปอกเปลกไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอนั้นนี่วางเลยก็มีอย่างอื่น มีทำแล้วก็ยอมทำอะไรพวกนี้ไรละ <g ül> นั่นแต่ตนวหนึ่งโ น, โ น, โ น, น, น, นู่นโอยอนอนดึกปันเป็นกรรมมันแล้วดูสิคนทุกข์กว่านี้มีเยอะนะพวกไอ้อ้วนไอ้ไอ้พ่นมันไม่ได้ทุกขนน์นั่มีแต่บรรจัยกัวพระด้วยซ้าในวันนี้ั <c oughs> นใจัยกัวพระในวันด้วยซ้า ข้าไอยากเป็นเสี่ยวมันไม่อยากเป็นเสี่ยวกระเพาะนะนี้นะ่ะนี่เราดูแล้วนี่จะพาอยากไปยุ่งจะขอหม้กับมันนะ่ะนี่อ้วนเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดยังไงนะเพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่นะที่พระองค์ทรงท้อประทศไทยไม่ใช่อะไรนะเจแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่พระจิตไม่ได้เป็นอย่างนั่นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็โหย ทั้งความบริสุททั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นวิสัยของพุทธะพระองค์จะทรงรู้ทรงเห็นรู้เป็นหมอโลกวิถูโลกวิถีอย่างท่านสแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปะลัทธิสุดญาณอุดปาริปัญญาอุดปาริยาวุตปาริอโลโกุตอโลโกุตปารินี่ฟังดิ่ีชั้นพูดมานั้นญาณอุดปาร์นี่ก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดเนี่ยปัญญาอุดปารีนี่เป็นอีกอย่าง พิช่าวดุปานีอาโอกดุปาีอารโอดุป า, า, า, ปาีสว่างตะมดัดโลกว่างเวงว่างตะมืออาโอโกุปานีนว่างเป็นความละเอียดยงอะไรียานอะไรีกในนั้นได้สิบอย่างสมัเหมือนกันใครจะไปรู้ เนี่ยเนี่ยอะไรล่รดมมันเลยผู้พิเศษพิเศษคือผู้ที่ทำงานนี้สำเร็จนี่หรูวุชิตางพรมจัลียังนเสร็จมีพรมจันอยู่จบแล้วคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจของพระศาสนาคืออะไรก็คือกิตตภาวนาน เสร็จมันหบอกอยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตทั้งท่านที่จิตมันเคยยุ่งกับอดีตอนาคตมันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆริงยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรกี่ป่าฐานมันกว้านมาคิดเผาจยู่ฝังตลอเวลาโดยที่ว่า สิ่ ง, งนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริงมันความคิดมันไม่ได้ทำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรือไม่จิงแต่ก็เคลิ้มไปตามความคิดเจ้าของ น, นี่เป็นนั่นนะมนหนักขนาดมั น, ม น, มกกนนะจะลู้ออกสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเมื่อสิ่งที่พาหมุนพา วุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นที่นี่เนะเคยยิดมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันปรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยสว่านงะมันคิดร้อยทั้งร้อยเอาปรงลงร้อยทั้งรนะ้อยถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ความปรุงประจำขันท่านยืดเยืยอๆนิดหน่อยนะมันไมไ่เป็นอะไรอันนี้ที่ยืดเยื้เท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเวลากองเราอะไรให้เราไม่ได้ มัเป็นธรรมชาติมันหางจิ้งจกขาดว่ามันดิ้นขอมันดิ้นธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้นจกขาดดิ้นเหนือยไม่มีความหมายหรือแล้วไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายมันก็อยู่ภาษาหันถ้าไปหลงแล้วมันก็เป็นพิษอีกแหละนี่เจ้าของวาดหลออเจ้าของนี่อะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าแลมันผ่านนี้ไปซิมก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไร แต่เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้านก็ไม่รู้จะาของมันเป็นบ้าหรือสิให้มันผ่านไปนี่นี่มันก็รู้ว่าบ้าฮึปรุงอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั่นปรุงนี่ปรุงอะไนะโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันนะพอได้ยินที่ไหนก็กว้าดนมาม า, มาปรุงสดสดร้อนๆหนมาเผาเจ้ของเป็นบ้าเลยนี่เดี๋พวกบ้านะบ้าความคิดความปรุงหลอกเจ้าของ อันนี้ฟาดจิตทำที่เหลือยืนในจิตทำมันทางถลางไปแล้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ร่วงลงจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างนะครับที่มันเป็นบ้าแต่ก่อ น, น, นมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเลยเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีก็รู้เองแน่คิดหลอกเจ้ของปรุงหลอกเจ้ของอดีตร่วงมากี่ ปีกี่เดือนแนละ้วไปอุ่นมาเพาว่าเรื่องนั้นอยู่ไหนไปปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจล่อขึ้นภายในใจเลยอนาคตนั่นแหละยังอยู่ไหนก็ไม่รู้แนหะอนาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของเพราะมีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ ทางดันลงมาน่ตาแมบเนยังไจะโตเย อ, อเวลาฉันนะะนีน่ตามืมอมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติแล้วเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาทเป็นอันมากทีเดียวนี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแคบๆมันขวางตานะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมา ประตัดเสันยีปินปาตังมันก็มีทั้งสองภาคเนี่หอหนึ่งประตัเส้นีปินปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบิณฑบาตนี่นปฏิทิเหตุจ้ามีตรีะกรณียาคือรับบาต ท, ทาความสัญญาอยู่ในบาต<ม>ในขณะที่รับบาตประตัดเส้นยีปินปาตังนปุจิสัมมีตรีิฆะการนรณ์เวล่ฉันสังนให้ทาความสาคัญอยู่ในบาตตาก็มองนี่ไปเถื่อนไปเอมองมอ ง, มอง มองดูเห็นหมู่เพื่อนมาทําให้ขวางตายนี่โอ้ดูไม e. ่นั von, so ่นะผมเห็นอยู่นี่เราก็ไม่เคยทําความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาทมานะทําอำจริงจริงทาความเข้าใจเจ้าของก็ไปฉันเหมือๆมองมองลูนลั่นลูนนี่ทั้งเที่ยวทั้งกืนหาสติสตังไม่ได้โอ้หายเสียสักดีของกรรมฐานอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างมากก็เหลีว ความเลื่อนลอยดูในนั้นนิบาศประตัดทังยีทำความเข้าใจทำความสำคัญใ น, ในบาททั้งรวมใ น, ในบาศขันจะทามันเรยยินเสียงดังจุ๊บจิ๊ บ, บ, บให้ระมัดระวังกิตยาอาก า, อการของการกรธัาฉัน ในยี่หกข้อเอกยิวัฒน์ต้กันบอกไว้แล้วยี่หกข้อเียเท่าไหร่ทีบีทีช่าดูป่าผมก็ลื ม, มแล้วล่ะเพาะมนานมันสอนหมดการขบการใช้การันการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดลอมากพระวินัยละเอียดมากเดียวถ้าเราดำเนินตามพระวินัยมัน จะมีที่ต้องติที่ไหนพรเาเราที่จะความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยอาทิตย์โลกเขาต้องติเพื่อนฝูงได้ต้องติแสดงหูแสดงตาพระความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูเนี่ย